ตอนที่ได้รับอะไรที่ตัวเองน่าปรารถนาที่สุดเนี่ยคิดว่าจะฟังอริยสัจไหม kötü. มีน้อยคนนะักที่จะคิดว่าไอการฟังอริยสัจนี่แหละคือสิ่งที่ตัวเองปรารถนาที่สุดมีไม่กี่คนนะที่เข้าใจอย่างนั้นว่าการฟังอริยสัจการคิดอริยสัจการพิจารณาอริยสัจเนี่ยคือสิ่งที่ดีและมีค่าที่สุดเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนหรอกที่ บางทีเนี่ยบางทีมันแอบบางทีเนี่ยมันเห็นแอปเปิลลูกเดียวนี่มีค่าที่สุดเหมือะนกันน่ะแอปเปิลลูกเดียวสตรอเบอรี่ลูกเดียวหรืออะไรไอติมถ้วยเดียวเนี่ยนะแล้วแต่ว่ามันก็มีค่าที่สุดของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะลูกชิ้นชิ้นเดียวเหมงอนันน่ะนะลูกชิ้นชิ้นเดียวนี่แหละมีค่าที่สุดมีค่ากว่าอย่างอื่นทั้งหมดเนี่ยนะเป็นต้นได้ยินเสียงหัวเราะเสียงเดียวนี่แหละมันมีค่ากว่าอย่างอื่นที่สุดเป็นต้นเพราะอะไรเพราะมันมั น, ม, นมันเป็นอย่างนี้แหละวัตะว่าือนันเนา เพราะมันมีอัสาธามันมีสิ่งที่น่ายินดีมีสิ่งที่น่าเพลิดเพลินเนี่ยนะมีสิ่งที่น่าพอใจอย่างยิ่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความเพลิดเพลินน่าพอใจเหล่านั้นนี่แหละเป็นตัวสร้างวัตตะแตทีนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเชื่อไหมไม่เคยอิ่มในความเพลิดเพลินเลยพอแล้วพอแล้วเนี่ยนะจนอิ่มเอาให้อิ่มจริงๆเนี่ยไม่ใช่ฐานะเพราะสมุทัยสัตวจะไม่มีคําว่าอิ่มและพอพราะการบริโภคกามแสวงหาสุขโสมนัจจากการเนี่ย ก็บอกว่าไม่อิ่มไม่พอตายก่อนแน่ในพระไตรปิฎกทั่วไปหลายเรื่องยกพระเจ้ามันธาตุราชซึ่งพระองค์นั่นแหละอดีตชาติเคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้ามันธาตุราชผู้มีความสุขในการบริโภคกามอย่างเดียวแกบริโภคกามเนี่ยนะโอ้ยหลายล้านปีมากเลยหลายล้านล้านปีเลยแหละก็บอกว่าแกมีเกิดมาในมันยุคที่มนุษย์อายุอสงไขยปีอายุแกเป็นล้านล้านปีอยู่แล้วละ่ะเสร็จแล้วก็บอกอุ้ยเบื่อกามมาคุณอันเป็นของมนุษย์ เอ๊ะทำยังไงจะได้การมาคุณอันเป็นกองทิศถามพวกทหารเป็นต้นเนี่ยมันมีที่ไหนที่มันดีกว่านี้ไหมบอกมีพระเจ้าค่ะดาวดึงเอาจักพาไปเลยก็ยกกองทัพเนี่ยไปยึดเอาจ่าตุ่มยึดจ่าตุมก่อนว่าบอกโอ้ยเลยมันมีดีกว่านี้อีกไหมก็บอกว่อ้นี่สมบัติของข้าพระองค์มันเหมือนบ้านเมืองบ้านนอกค่องนาโน่นแหละยึดเมืองหลวงเลยพระเจ้าข่าก็ยึดดาวดึงไปถึงเท้าสักกะก็ใจดีแบ่งให้ครึ่งหนึ่งเลยอันนก็เลยสวยสมบัติเหมือนเท้าสักกะอนะั ท้าสักกะตายไปองคหนึ่งท่านก็ยังโอ้ยสบายมากนะตายไปองค์ที่สององที่สามแต่และองค์นะเท้าสักกะอายุสามสบกล้านปีเท้าสักกะองค์ที่หนึ่งเท้าสักกะตายไปสามสิบหกองทีนี้เนี่ยนะสามสิบหกองผ่านไปเว้ยชักเบื่อแล้วไอ้มันเนี่ยมันอนํานาจต้องแบ่งครึ่งหนึ่งมันน่าเบื่อนะมันน่าจ ะ, ะเผด็จการเบ็ดเสร็จเลยอยู่ที่เราดีกว่าคิดจะฆ่าเท้าสักกะซะเราจะได้ครองราชแต่เพียงผู้เดียวก็เลยพอคิดจะฆ่าแค่นั้นเลย ตกหวบตกสวรรค์มาโปรดที่สวนเลยนะหายวับจากสวรรค์มาโปรยที่สวนชราเลยโสมเต็มที่แล้วก็เขียนจารึกเอาไว้ว่ามันไม่อิ่มจริงๆเนี่ยนะมันไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอจนก็เรียกว่าจนอะไรนะถูกเขาดันออกมาว่ากันถต่ไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จั ก, อจกพอพันในโลกของวัตถุกรรมเนี่ยจึงเป็นอย่างนี้เปรียบเหมือนคนที่ไปเที่ยวสวนที่ตัวเองเพลิดเพลินเนี่ยนะเขาบอกว่าพระราชาโบราณเนี่ยชอบเที่ยวสวนมาก อี่จริงเที่ยวสวนไม่ได้เที่ยวแต่ดูแต่ต้นไม้อย่างเดียวเนี่ยทั้งเมาด้วยทั้งสนมกำนันมีร้องรําดําเพลงเอ้ามันมันหมดเวลามันเ่ําแล้วนี่ยทหารก็มาเข้าวังเธอพระเจ้าข้ามันอันตรายนะนอกเรืองมันอันตรายใช่เข้าวังเธอเนี่ยนะยังยังที่ยังไม่อยากกลับนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าการมาคุณเนี่ยมันน่าเพลิดเพลินอย่างนั้นเนี่ยนะเชื่อเถอะพันคนที่จะฟังเพื่อที่จะออกจากรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมเนี่ยมันช่าง ยากแท้ที่มันยากเพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยสะสมอัธยาศัยที่จะออกที่สำคัญที่สุดเขาบอกเขาไม่ตั้งใจที่จะออกด้วยไม่มีอัทยาศัยด้วยแต่จริงๆถ้าเขารู้นะพระมาก็เชื่อว่าถ้าทุกคนรู้จริงเขาก็อยากออกแต่ที่ไม่อยากออกเพราะไม่รู้เพราะไม่เคยได้ยินและไม่เข้าใจเนี่ยนะไม่คิดว่าจะมีทางเลือกอื่นอีกที่จะมีข้อปฏิบัติเหล่าใดที่เป็นไปเพื่อเพื่อประสบพบเห็นสิ่งที่ดีกว่า คือเนื่องจากว่าเขาเหล่านั้นไม่เคยได้ยินได้ฟังคาสอนเขาไม่รู้จักสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ดีและไม่มีโทษเป็นทั้งสุขในปัจจุบันและต่อต่อไปเป็นไปเพื่อสุขโดยส่วนเดียวเขาไม่รู้เมื่อเขาไม่รู้เขาก็เลยไม่แสวงหาเนี่ยนะเมื่อไม่รู้ก็เลยไม่แสวงหาถึงถึงได้ยินบ้างแต่ก็ไม่เชื่อว่าจะดีจริงอ่ะที่เป็นอย่างนี้พ่ออะไรเพราะไม่ได้สดับเนี่ยนะ เพราะไม่ได้สดับเป็นต้นเขาก็เลยสูญเสียพลาดโอกาสจากการปฏิบัติเหล่าใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขทั้งในปัจจุบันและต่ อ, ต, อต่อไปเนี่ยนะก็เลยมัวแต่ติดเพลิเพลินในสิ่งเหล่านั้นเพลิดเพลินจนอะไรจนชราและมรณะเนี่ยนะจนชราและมรณะประจับแจ้งกว่าจะรู้ตัวอีกทีเนี่ก็โอ้หมดเวลาแล้วเนี่ยนะหมดเวลาอะไรหมดเวลาชีวิตแล้วเนี่ยนะก็อ ย, ะยอย่างเนี่ยโอ้ปีใหม่เพลินซะตายเลยไง เพลินสักตายไปเท่าไหร่เกือบพันหนึ่งมาเจ็บแค่สองหมื่นกว่าเองเนี่ยนะมันก็เพลินมากเลยนะยถ้าไม่เพลินนนแล้วทำไมคนจะต้องออกไปแข่งกันขนาดนั้นในชะ่ไหแสดงว่าโอ้โหปราถนาไฝ่ฝันไปด้วยจิตใจที่ฮึกเหิมในที่สุดก็หมดสภาพเนี่ยนะนะก็เหมือนกับแบบถ้าเป็นมหัศรพับบนนอกเนะี่ยอุ้ยขาไปทุกคนคึกคักตื่นเต้นแล้วกลับมาในจอง เงาไงโรคซึมเศร้าเงาไงเดินกลับมาต๊ตอกตอกนไหมนี่มาดูโทษของสิ่งที่บอกโอ้ยปรารถนาเลอะเกินเนี่ยมันมีโทษอย่างไรเนาะสิ่งที่เราใฝ่ฝันและปรารถนาในข้อสอง้อสิบสาอันนี้เป็นวิปัสสนานะเป็นอาทีนวะอาทีนวานุปัสสนาเป็นอารมณ์ของผู้ที่มีปัญญาว่าผู้มีปัญญาเขาเห็นอย่างนี้จริงๆริงเหนะ จริงนะถ้าคนไม่มีปัญญาเนี่ยแค่ฟังยังฟังไม่ได้เลยจะกล่าวไปยัยถึงมาคิดตามเห็นตามรู้ตามเนี่ยนะมันจึงเป็นอารมณ์ของผู้มีปัญญามันอาทีนวะหรือโทษของกามนั้นเป็นอารมณ์ของอาทีนวานุปัสสนานั่นเองดูก่อนมหานามะเนี่ยนะเมื่อกี้พูดสมุทัยสัตว์เหตุที่สร้างวัตตะเพื่อให้มีกามแล้วใช่ไหมนี่แล้วโทษล่ะดูก่อนมหานามะก็อะไรเล่าเป็นโทษของกามทั้งหลายกุลบรในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยความขยัน ประกอบศิลปะคือประกอบอาชีพเหล่าใดศิลปะแปลว่าอาชีพนะประกอบอาชีพเหล่าใดอยู่ไม่ว่าจะเป็นการนับคําแนนคํานวณจํานับจํานวนการไถการค้าขายการเลี้ยงโคการยิงยิงธนูหรือว่าเป็นราชบุรุษ ร, ราชการทั้งหลายเนี่ยนะหรือประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีต้องตราตราต่อความหนาวตราตราต่อความร้อนงุ่นงานอยู่ด้วยสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เสือคลาน ต้องตายด้วยความหิวกระหายดูก่อนมหานามะนี้แม่เล่าแม้นี้เล่าก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นกันอยู่มีกรรมเป็นเหตุมีการมเป็นต้นเขามีการมเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกรมทั้งหลายทั้งนั้นการประกอบอาชีพเนี่ยอาชีพที่สบายบายจริงๆแล้วมีเกียรชีพอะสบา ย, บายไม่เดือดร้อนสบายบางคนในใจจริงอยู่ร่างกายสบายก็จริงแต่ใจนี่ไม่ สบายเลยบางคนนี่ก็สบายจิตใจบางอย่างแต่ว่ากายนี่ไม่สบายเลยเพันถามว่าอาชีพไหนที่น่าปรารถนาที่สุดในโลกไม่เดือดร้อนทั้งปัจจุบันและต่อต่อไปทําอะไรที่สุดบวชเหรอถ้ารู้เท่าทุกวันเนี่ยตอนนี้เขามาไม่รู้จะบวชหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่บวชแล้วไม่ใช่ว่าจะลา ง, ง่ายๆนะไม่ใช่แต่หมายคขาว่าถ้ารู้เท่าปัจจุบันไม่รู้จะบวชหรือเปล่าถามทําไมก็ ถ้าพระสนทนาอารยศัตร์ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกไว้แล้วทุกวันเนี่ยถ้าพระภิกษุทั้งหลายสนทนาอารยศัตร์เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันประหลาดแล้วถ้าไปที่ไหนแล้วแหมนั่งสนทนาธรรมกันอย่างเพลิดเพลิน อ, อ, อรรรสชาติเลยนะถามว่านี่มันโลกของความฝันแล้วละเป็นนิยายไปแล้วละ่ะเรื่องเหล่านี้อยู่ในโลกของนิทานไปแล้วละ่ะเนี่ยนะสนทนาเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องโอ้ปกติดีอันนในสมัยใหมนะ่เนี่ย เรื่องกีฬาเรื่อ ง, องดินน้ำลมฟ้าเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ถ้ามาศูนทนาเรื่องอริยศัสตร์เรียนคำสอนกว่ามันยากก็เห็นเวลาอย่างที่หลายท่านนะท่านอาจารย์หลายรูปท่านก็มากล่าวว่าโยมก็มาเรียนพระไตรปิฎกกันเนะพระก็ไปเรียนอะไรอะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่พระไตรปิฎกว่า ง, งั้นเถอะนะอะไรก็ได้พร้อมที่จะสละแบ่งเวลาไปเรียนได้หมดนะเว้นแต่เรียนพระไตรปิฎก เรียนพระไตรวิฎกพอเรียนเข้าไปหน่อยบอกอ้างอ้างจนไม่ต้องเรียนอ่ะนะหาเหตุผลมาที่ใบหนึ่งยากเกินไปสองไม่มีคนสอนสมคนสอนพูดไม่รู้เรื่องเสียอะไรก็แล้วหาเหตุผลจนว่าเออฉันไม่เรียนมันถูกต้องที่สุดแล้วนะมันถูกต้องที่สุดเนี่ยนะมันก็เลยอธิบายกันอยู่แค่นั้นนั้นที่มันเป็นยังไงไปโทษใครมันก็โทษวัาตะสงสารนี่แหละโทษการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะเพราะมีตายมีเกิดแท้ๆเลยจึงเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ เรียว่าประกอบอาชีพในโลกเนี่ยนะมันก็อย่างว่าประกอบเพื่อที่จะเลี้ยงชีพอยู่ในโลกที่ไม่เปื้อนบาปหายากเต็มทีอย่างนั้นที่ประกอบแล้วทําไปแล้วไม่เปื้อนบาปเปื้อนอกุศลเนี่หายากมากดูก่อนมหานามะเมื่อกุบฏนั้นขยันสืบต่อพยายามอยู่อย่างนี้โภคะเหล่านั้นก็ไม่สําเร็จผลเขาย่อมเศร้าโศกลําบากลาพันตีอกคร่ําครวนถึงความหลงเลือนว่าขยัน ความหมั่นขยันของเราเป็นโมฆะว่างเปล่าความพยายามของเราไร้ผลหน อ, อไม่มีผลเลยเนี่ยนะเคยทำอะไรที่มันเสียเวลาไปเปล่าไหดเหนื่อยด้วยแล้วไม่ว่าเนี่ยนะมีคดีติดพันมาอีกทังหากนันนะไอขาดทนแล้วไม่ว่าเนี่ยนะมีเรื่องว่าต้องชำระสะสางไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะ ดูก่อนมหานามะอันนี้เล่าก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบงังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นดูก่อนมหานามะเมื่อกุลบุตรนั้นขยันสืบต่อพยายามอยู่อย่างนี้โภคะเหล่านั้นก็สําเร็จผลแต่เขาก็กลับสวยความทุกข์อันใหม่ทุกตอนสแสวงหาก็ทุกขอยู่แล้วสองเมื่อสแสวงหาแล้วไม่ได้สําเร็จผลก็ทุกอยู่แล้วสาม เมื่อหาและสำเร็จผลก็ทุกอันใหม่ที่มาทุกใหม่ก็คือต้องคอยรักษาโภคะเหล่านั้นคือต้องโภคะเหล่านั้นมาสั่งเลยว่าทาอย่างไรพระราชาจะไม่ริบเอาไปโจรจะไม่ปล้นไปไฟจะไม่ไหม้น้าจะไม่ท่วมทายาทที่ไม่เป็นที่รักนำเอาไปไม่ได้เมื่อกุลบทนั้นคอยรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนี้พระราชาทั้งหลายก็เลยริบไป ตรงกันข้ามมานะไอ้ที่คิดไว้เนี่ยนะก็เราวางว่าจะไม่ให้ถูกยึดซัพย์ในที่สุดก็ถูกยึดจนได้เนี่ยนะถูกยึดทรัพย์โจนปล้นบ้างถูกคูรีดขมเหงอยู่นั่นแหละไฟก็ไหม้น้ําก็ท่วมทายาตอปรีก็เอาไปผลานสักเลี้ยงเลยเนี่ยนะเขาย่อมเศร้าโศกลาบากลาพันธ์ตี อ, อกคร่ําครวนเนี่ยนะมีโยมอยู่คนหนึ่งก็ซื้อรถไถมาได้โอ้ยคันหนึ่งดีใจมากได้รถไถมาคันหนึ่งไอ้ลูกชายเขากําลังวายหามมากเลยนะ ก็เลยเอารถถ่ายขับไปเที่ยวเนี่ยนะรถถ่ยแบบแตกๆๆๆๆๆไงนะขับไปเที่ยวโก้มากอ่ะ น, นะตามมันนอกอะ่ะไปเนี่ยกลับมาถึงบ้านเนี่ยเอามาชนรั้วบ้านเข้าพ่อเนี่ยแหมรวบรวมนี่รวบรวมสตังค์เนี่ยนะลังลาปีก็จะได้ซื้อไอ้คันนี้คันหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยนะก็ทำํำยังไงล่ะทายาทนั่นก็เอาไปชนรัว้วนะแค่นั้นแหละแบกปืนลงมาเลยไล่ ย, ยิงเปรี้ยงๆอ่ะ น, นะลูกก็หนีไป อันนี้เรื่องจริงอะนะยังํำอยู่ด้วนะึงแบกปืนไล่ยิงลูกเลยนะยนี่รู้ไหมว่าข่าก็จะหามาได้มันทุกขนาดไหนอะไรยังไงนะ่นะแต่ว่าหลังก็ก็กินข้าวรวมมองต่อนะกม็มีอะไรหรอกแต่ความเสียใจที่แม้ก็จะหามาได้ขนาดนี้เนี่ยนะแต่มันก็เป็นอย่างนี้ม่ใช่น้อยเลยนะทะเลาะเปะเวงกันอะไรกัน ทุกเนี่ยนะในที่สุดทายาทอันไม่เป็นที่รักเอาไปเล่นซะเกลี้ยงหมดเลยเนี่ยนะเอารถไปเล่นซะเสียหายหมดเลยจังกันหรือเรียกว่าทําซะเจ๊งหมดอ่ะนะอันนี้แหละที่ทําให้ตัวเองเนี่ยแค้นมากเสียใจมากทุกมากก็เรียกว่าหมดไปทั้งแต่ตัวเองยังไม่ได้ยังอยู่นะก็ยังเลยยังอยู่ยังเห็นยังดูอยู่ก็เลยเสียใจเศร้าใจลําบากใจก็เลยเขาก็เศร้าโศกรำพันตีอกถึงความหลงหลงคร่าครวญไปว่า สิ่งใดที่เคยเป็นของเราสิ่งนั้นก็ไม่เป็นของเราอีกแล้วเนี่ยนะก็เคยมีอ่ะนะแต่ก็ไม่มีอ่ะสมมติว่าเคยเห็นนสิ่งนี้เป็นของเราตอนหลังมันก็กลายเป็นของคนอื่นไปแล้วเนี่ยจะมีความสุขไหมเมื่อก่อนบ้านหลังนี้เคยเป็นของเราเราก็อยู่ไม่ได้เลยต้องจากไปเมื่อก่อนแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งเหล่านี้เคยเป็นของเราบัดนี้เมื่อไม่เป็นของเราแล้วทุกไม่น้อหวังกันทุกมาก อันนี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นกันอยู่มีกาลเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกาลเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นเนี่ยนะอันถูกปลดเนี่ยคนที่ถูกปลดเนี่ยเขาเครียดกันไห้ลเมืองเครียดมากเลยนะว่ารักษาอย่างไรก็ไม่อยู่ใช่ไหมทุกข์มาก นี่ต่อไปดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งมีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเขามีการเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งการทั้งหลายเนี่ยพระราชาก็วิวาทกับพระราชากษัตริย์ก็วิวาดกับกษัตริย์พรามก็วิวาดกับพราหมณ์ครหบดีก็วิวาดกับครหบดีมารดาวิวาดกับบุตรบุตรวิวาทกับมารดาบิดาวิวาดกับบุตรบุตรวิวาดกับบิดาพี่ชายวิวาทกับน้องชายน้องชายก็วิวาทกับพี่สาวน้องสาวเนี่ยนะ ก็สรุปว่าสหายก็ยังวิวาสกันกับสหายชนเหล่านั้นก็ทะเลาะแก่งแย่งกันวิวาทกันในที่นั้นนนั้นทําร้ายซึ่งกันและกันด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินท่อนไม้สาสตรา ถ, ถึงตายตรงนั้นบ้างทุกปางตายบ้างอันนี้ก็เป็นโทษของกามเป็นกองทุกข์ที่เห็นกันอยู่มีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเขามีการเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น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 ลูกศรที่ถูกยิงเอาไปหอกทั้งหลายถูกพุ่งเอาไปดาบทั้งหลายถูกกัดแ ก, กว่งอยู่ฟูงชนเหล่านั้นต่างก็ถูกลูกศรเสียบเอาถูกหอกเสียบเอาดาบตัดศีรษะในที่นั้นตายตรงนั้นบ้างทุกปางตายตรงนั้นบ้างอันนี้ก็เป็นโทษของกามเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นเนี่ยนะก็สงครามเนี่ยประทุขึ้นมาแล้วใช่ไหมก็สงครามก็เกิดจากอะไรก็เกิดจากศึกชิงกามนั่นเองเ น, นะนะศึกชิงว่าถูกกรรมดู